วันนี้เป็นวันที่ส0มสบมีนาคมพุทธศักราช 2,555 ้าห้าวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมรว่าเป็นวันธรร ม, มัตสวานณะในทางพระพุทธศาสนา8ค่ำสิบห้าค่ำ ความเป็นมาวันนี้คือพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์วัดป่าเวรุวันในแขวงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ถวายวัดป่าเวรุวันพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้ามาสู่วัดไม่เว้นแต่ละวันมาก แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าหน้าจะมีวันสำคัญวัวนปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือว่า ว, วันมีการมาพร้อมเพียงสัมคีกันเพื่อฟังธรรมเทศนาหรือว่าเป็นวันรักษาศีลพร้อมกันของพุทธบริษัทจากนั้นพระองค์ก็ได้บัญญัติขึ้นมาว่าแปดค่ำสิบห้าค่ำเป็นวัน ท ร, รมรดรวนะเป็นวันปฏิบัติธรรมตั้งถือตั้งแต่นั้นมาก็ถือมาตั้งแต่บัดนั้นที่พระพุทธองค์บัญญัติให้อุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมแล้วก็พร้อมกันวัน15บ่ําค่ำเป็นวันอุโบสถของพระพระสงฆ์ลงอุโบสถทุกกลึงเดือนต้นเดือนกลึงเดือนเดือนหนึ่งสองครั้ง เป็นวันทบทวนศีลของพระเป็นวันสวดพระปฏิโมกแต่สำหรับศรัทธาญาติโยมแต่งให้นี่วันแปดค่ำสิบห้าค่ำคงจะเหมือนศาสนาอื่นเขาศาสนาอื่นอย่างศาสนาคริสต์น่เาไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แต่อิสลามในว่าอิสลามเนี่ยละมาดวันละห้าครั้งแล่งในศาสนาของเขา แต่พระพุทธศาสนาไม่มีการบังคับไม่มีการขอร้องเพียงแต่ว่ากิจศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลากายว่าจาใจของตนเองรักษาศีลรักษากายว่าจาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ที่ ที่อยู่ข้างในจันจะได้บอกกล่าวแนะนำอย่างไรในการอยู่ด้วยกันบางทีก็พูดเรื่องศีลพูดเรื่องทานเรื่องศีลและก็เรื่องความพร้อมเพียงสมัคคีของหมู่คณะความพร้อมเพียงของชุมชนแล้วก็การเป็นอยู่พวกเราจะบริหารจัดการ ในการอยู่ด้วยกันอย่างไรจรึงจะได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้อันนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดออกไปแล้วก็กว้างขวางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในแ0 0่ี่พันพระธรรมขันแต่ประเทศไทยทุกวันนี้ดูๆแล้วก็มีแต่พูดกันเกี่ยวกับปองรองฮะปองรองสามัคคี แต่ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็สอนเอาไว้เหมือนกันท่านบอกกับพระสงฆ์บอกกับพระสงฆ์มันประชุมกันเนืองนิดมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สอนเอาไว้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นให้มันประชุมกันแต่ว่า บางแห่งกิเลสไปชุมกันประชุมกันเท่าไราก็ยิ่งแตกเพราะมันไม่ลงรอยกันมันตั้งป้อมสู้กันมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกและพร้อมกันทากิจในที่ประชุมตกลงกันไว้อย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็เป็นผู้ใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคา ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในความสงบตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอันนี้ก็คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านยังเน้นอีกสารานิยธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ตัวนี้สำคัญตัวในสารานิยธรรมสาคัญไม่แพ้อปปริหานิยธรรมสารานิยธรรมมีหกอย่างเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามัเณนทั้งต่อหน้าและรับหลังคือเข้าไปช่วยขนขวายดูแลเพื่อนกันคือภิกษุใข้เป็นต้นใครมีทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ให้เข้าไปช่วยดูแก้ไข เรื่องสถานการณ์นั้นๆในเมื่อเขาได้รับความลําบากทุกยากลําบากด้วยจิตเมตตานะใครเขาว่าเมตตาเป็นหลักนะเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสั ม, มนเนธทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวิญญากรรมในเพื่อนภิกษุสัมเนธทั้งต่อหน้าและรับหลังใครเข้าไปเห็นภิกษุสัมเนธเข้าใจผิดในบางอย่างก็เข้าไปพูด ทำความเข้าใจให้เข้าใจในหลักพระธรรมใดๆให้ถูกต้องด้วยจิตเมตตา่มันจะคิดอิจฉาพยาบาทในใจมีเมตตาเป็นพื้นฐานแต่นั้นก็เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามนเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคล้ายๆว่าเข้าไปในเพื่อนภิกษุสามนเณรด้วยจิตเมตตาจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง จะปรับปรุงแก้ไขอะไรได้บ้างในเพื่อนภิกษุสมณีนมีปัญหาอะไรไหมด้วยจิตเมตตาแล้วก็รักษาศีลเสมอกันกับภิกษุสมเณีอื่นคล้ายๆว่าไม่ทำไม่ทําผิดกฎหมายอไม่ทําให้ย่อหย่อนผิดกฎหมายถ้าคนผิดกฎหมายคนหนึ่งผิดกฎหมายคนหนึ่งไม่ผิดกฎหมายมันก็เข้ากันไม่ได้อีกเพราะนั้นต้องรักษาศีลให้ภิกษุ สัมมาเนอื่นแล้วก็มีทิฏฐิพยายามให้มีทิฏฐิคือความเห็นให้เสมอกับภิกษุสัมมาเนนอื่นใครว่าทิฏฐิคือความเห็นจุดนี้แหละมันเป็นจุดที่สำคัญคนหนึ่งมองอย่างหนึ่งคนหนึ่งมองอย่างหนึ่งแต่พยายามมองให้เป็นศีลเป็นธรรมมองยังไงในชุมชนและกลุ่มของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาได้อันนี้ะคือมองกันมองด้วยเหตุด้วยผล อย่าไปมองเอารัดเอาเปรียบกันถ้าว่ามองแบบหนึ่งแบบตั้งป้อมสู้กันเนี่ยมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ทิฏฐิคือความเห็นจิตจุดนี้สำคัญแล้วก็ข้อที่หกแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบทมให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมเนนไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวอันนี้ก็คือเมื่อได้ลาบมาแล้วก็แบ่งปัน สรุปแล้วก็คือไม่คอร์รัปชันพูดง่ายๆไม่คอร์รัปชันไม่โกงไม่เห็นแก่ตัวเฉลือเพ่อแพร่ที่ได้มาโดยชอบทมแล้วก็แบ่งปันให้ทั่วถึงเฉลี่ยกันให้ทั่วถึงไม่ใช่ว่าจะหวงไว้รวยแต่ตัวเองคนเดียวนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดก็ตามมีธรรมอยู่ในใจทั้งหกประการนี่ ชุมชนนั้นยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกร่มเย็นเป็นสุกท้วนหน้ากัน เ, เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งวิจีกรรมคือคําพูดแนะนําสัง่งสอนประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมคือใจคิดแต่เรื่องเป็นธรรมถูกต้องด้วยจิตเมตตามีศีลเสมอกันกับภิกษุสัมมเนยอื่นคือรักษากฎ ก, ฎ ก, ฎกติกาไม่ให้ มีนอกมีในแล้วก็มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันกับภิกษุสัมเนตอื่นไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนละถ้าคนมิจฉาทิฏฐิแล้วดัดทุลังไม่ยอมฟังใครนะนั่นก็ปกครองยากเหมือนกันนะแล้วก็แบ่งปัรดาบที่ตนได้มาโดยชอบรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมาเนตินี่แหละอันนี้เป็นเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจของหมู่พวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกัน ประเทศชาติปันเมืองถ้าเป็นถ้าได้ยึดทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ที่จึงจะไม่แข่งขัดแต่ก็ยังมองดูแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติก็ยังจะมีความสงบร่มเย็นผัสศึก ข, ขึ้นมาได้แต่นี้ไม่ได้พูดแบบปองดองปองดองอยากจะให้ปองดองอแต่ว่าข้างล่างไม่ลวดมีดไป่ล่วหอกไม่ล้วาดาบไม่ล้ว่า ยาพิษไม่รู้ว่าจะอะไรต่อไม่อะไรจะห้ามหันกันอยู่ใครเสียเปียบใครเพียงพั้มกระโดดเหดียบฆ่าคนนั้นแล้วมันจะปองรองกันได้อย่างไรดูดูแล้วถ้าปองรองมันต้องมาออกมาจากจิตใจจิตใจที่มีเมตตาเอาเมตตาเป็นหลักถ้าทุกคนมีเมตตามีความหวังดีต่อกันมีความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีต่อกันมีธรรมในจิตในใจ ด้วยกันมีเมตตาเป็นหลักถึงอย่างไงจะไงก็พวกเราก็จะล่มเยนเป็นสุขท่วนหน้ากันนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกแนะนำแนะแนวบอกพวกเราท่านทั้งหลายท่านว่าให้มีศีลให้มีสัจจะศีลและสัจจะคำนี้นะ่ะที่จะคุ้มครอง การเป็นอยู่ของเราให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนานเท่านานะอันนี้กับพระพุทธองค์ท่านปรารบสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปในแขวงกรุงราชคฤห์พอไปถึงป่าดงแห่งหนึ่งป่าดงแห่งหนึ่งแล้วมีไฟไหมมาอย่างโหมมาทั้งรอบทิศรอบด้าน พระองค์พร้อมกับพระสงฆ์หลายร้อยรูปอยู่ในเดินกาลังเดินทางพระสงฆ์ที่เดินก่อนก็เห็นไฟมาแล้วก็กลัวมากเพราะไฟแรงมากไฟทั้งหลังก็มาอีกพระองค์พระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางบางคนก็พยายามจุดไฟจุดไฟให้ไล่ไฟออกไปข้างนอกแต่บางองค์ก็ว่าพระพุทธองค์ยังอยู่ พวกท่านไม่ต้องคิดอะไรมากผลที่สุดพระองค์พระพุทธเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นน่ะไฟมาถึงนะั้เหมือนกระถูกน้ําไฟดับหมดพอไฟดับหมดพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าโอ้น่าอัศจรรย์ไฟป่าไหมมาทั้งที่มันจะไหมลามเข้ามาถึงใกล้ที่เราอยู่แต่ไฟดับพระพุทธองค์บอกว่า ที่ตรงนี้เนะี่ยที่เราอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ไม่ใช่บา ร, รมีของเราส่วนเดียวนะเป็นบา ร, รมีมาตั้งเก่าแก่ไฟไม่ไหม้จุดนี้มาเป็นตั้งแต่พัตกับมาแล้วพัตกับ ก, ก็คือตั้งต้นกลับนี่มาไฟไม่ไห ม, ม้จุดนี้และก็พร้อมกันเราก็มาอยู่ในจุดนี้อีกสรุปแล้วก็คือเป็นสองพลังแต่ก่อนหน้านี้กับไฟไม่ไหม้อยู่แล้วจุดนี้ แต่พระองค์มาอยู่ในจุดนี้อีกพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไฟจึงไม่ไมจุดนี้ดวยตั้งแต่ต้นตั้งกลับมาตั้งแต่ตั้งโลกมาพระพุทโคงบอกว่าสมัยนั้นเราเกิดเป็นนกคุ่มนกคุ่มอยู่ตามปลาตามดอนตามป่าพวกเราบางคนเอเห็นนกคุ่มพออนุ่งุ่มมันเกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่ในรัง ตัวใหญ่แต่มันมีปีกแต่ไม่มีขนขาก็ยังอ่อนอยู่มันเกิดมาใหม่แต่นี้ไฟไหม้มาไฟไหม้มานกทั้งหลายก็บินหนีหมดพ่อกับแม่ของนกคุ้มเนี่ยบินหนีอีกเหมือนกันปล่อยไว้ตะลังแล้วก็ลูกนกทั้งหลายก็มีอยู่ในในละแวกนั้นแต่นี้นกคุ้มไฟไหม้มาได้ยินเสียงสนั่นวันไหวมานกคุ้มลูกนกคุ้มเลยนี้ก็ชูคอขึ้นไป ไปก็ไปเห็นไฟไฟไม่มาอย่างอย่างมากนกคุ่มตอนนี้ก็เลยแม่ก็หนีหมดพ่อก็หนีหมดเพราะมันหนีตายกลัวไฟนกคุ่มตอนนี้ก็บอกโอ้นอกจากบา ร, รมีของเราแล้วคงจะไม่มีอะไรคุ้มครองนกข่มถึงจะเป็นนกคุ่มแต่ใจนกคุ่มนะั้นเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพระโพธิสัตว์รู้ดีรู้ชั่วใจของนกแต่รู้ สิ่งควรไม่ควรอย่างไรนกคุ่มแต่นั่นก็เลยชูคอขึ้นมาปีกของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ไม่มีขนข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะบินออกจากครังได้เพราะข้าพเจ้ายังอ่อนยังเป็นลูกนกแต่ขาข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ขาข้าพเจ้าเดินไม่ได้เพราะข้าพเจ้ายังเป็นลูกนกนอกจากสัจจะนอกจากศินและสัจจะ เท่านั้นล่ะจะคุ้มครองข้าพเจ้าได้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติข้าพเจ้าไม่มีทางอื่นที่จะรอดพ้นจากความตายในคราวนี้ได้นอกจากบุญาบารมีของข้าพเจ้าที่ทำมานะไว้ในอดีตขอครับขอให้สิ่งจักิิทธิ์เทพเจ้าหรือว่าเทพเจ้าเหล่าเทวา หรือว่าบารมีของข้าพเจ้าศินและสัจจะคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทินนะนกคุมแต่นั้นมันมันตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานคือศิลและสัจจะนะสัจจะคือระลึกถึงคุณงามความดีไฟมาถึงได้นําไฟก็ดับดับห่างการประมาณสิบหกรีดสรุปแล้วคือคือสิบหกรีด 25เส้นยี่้าเส้นโดยรอบไฟเข้ามาไมมไม่อยู่บริเวณนั้นพอไฟมาตั้งแต่บัดนั้นมาไฟมาถึงจุนดนั้นดับหมดทุกครั้งมาทั้งมากระทั่งถึงพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ไปอยู่ที่นั่นไฟก็ไมมมาไมไมมาไม่ถึงเนี้พระองค์ก็ได้ตรัสกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอัธิโลเกศิลกุโนนะคาซคา า, านุคุมอัติโลเก สีลกุโนสัจจังโซจิยนุตยาก็พูดถึงเรื่องสินและสัจญะในคาถาบ ท, บทนี้แล้วก็บรรยายถึงบา ร, รมีของพระองค์นี่แหละคำว่าสินคำนี้หรือว่าสัจญะคำนี้ถ้าพวกเราได้รักษาสินดีแล้วถ้ามีความทุกข์ในใจ หรือม่ามีความลำบากในใจหรือมีเรื่องในใจก็ให้ลำลึกถึงศีลลำลึกถึงสัจจ์อย่างที่นกคุม้มที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในพระคาถาพระคาทานกคุม้มนี่แหละในเมื่อเรารักษาศีลถึงจะเป็นศีลเป็นชั่วข้างชั่วคลาวแต่ก็คือศีลและก็พร้อมกันก็ให้มีสัจจ์ คือความจริงจังและจริงใจการจะไหวพระสวดมนต์การจะนั่งภาวนาก็ให้มีสัจจะในการกระทําพุนงามความดีในเมื่อเรามีศินและสัจจะอยู่ในตัวของเราแล้วนั่นแหละเรามีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่พึงปรารถนาหรือว่าเรามีความทุกข์สิ่งที่เราจะแก้ไขเราก็ราลึกถึงสินเราลรึกถึงสินเรื่องสัจจะ ระลึกถึงทานถึงศีลถึงภาวนาของตนเองนั่นะสรุปแล้วก็คือระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้กระทํามมาไว้ในอดีตสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงจริงๆก็จะคุ้มครองพวกเราให้ประสบสำเร็จตลอดปลอดภัยได้อันนี้ก็คือพระพริศหรือว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสสั่งสอนภิกษุบอกไว้ในกับภิกษุทั้งหลายในยุคสมัยนั้นนะทีนี้ถึงอย่างไงก็ตาม ถึงจะมีความคุ้มครองขนาดไหนศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนแต่ว่าจะให้คุ้มครองไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเป็นไปไม่ได้อันนั้นคือธรรมชาติธรรมดาของโลกแต่ถึงยังไงพระองค์ก็ให้พิจารณาเอาไว้ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทท่านก็สอนอีกในระดับหนึ่งในระดับนั้นท่านก็ให้สอนให้พึ่งจุดนั้นแต่มาถึงจุดนท่านก็สอนให้พึ่งให้พึ่งจุดนี้อีก อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญการตายเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นเองเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองเหมือนกับเราอยู่ประเทศไทยจากนั้นเราก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเท่านั้นเองไม่ใช่อื่นไกลแต่เราก็รถคนันนี้เสื้อผ้าผืนนี้มันเก่าแล้วต้องถอดทิ้งแล้วก็ไปนุ่งเสื้อผ้าผืนอื่นต่อไป แต่ว่าเสื้อผ้าผืน อ, อื่นนั้นถ้าเราไม่มีเงินเราจะไปซื้อผ้าดีๆเหมือนอซื้อผ้าดีๆไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินเพราะท่านท่านจึงให้สั่งสมคุนงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาสู่วัดวาศาสนาในวันนี้แหละแล้วก็เมื่อได้ยินได้ฟังจากนั้นก็ทาคาสอนของ พ, พระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดเหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ถึงยังไงเราจะเปลี่ยนยังไงจึงเราจึงจะมีเงินเงินนั้นคืออะไรเงินก็นคือทานเรื่องศีลเรื่องทานศีลภาวนานี่แหละให้ศึกษาทีนี้เราจะทำยังไงเราจะทานยังไงเราจะรักษาศีลอย่างไงเราจะภาวนาปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเหมือนกับเราไปซื้อเสื้อผ้าเตรียมรอเอาไว้ ในเมื่อผ้าพื้นนี้จะต้องได้กแก้ทิ้งเปลี่ยนทิ้งเราก็จะได้สวมเสื้อผ้าพื้นใหม่สวมเสื้อผ้านั้นก็คือใจนะั่นแหะใจของเราจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นถ้าเรามีบุญมีกุศลแต่เราไม่มีบุญไม่มีกุศลพอเปลี่ยนเสื้อผ้าพื้นนี้ออกไปแล้วก็ได้เสื้อผ้าห ย, บยบาบๆยาอาจจะเป็นเกิด ไปเกิดเป็นสัตวติรชานช้างมา้าวัวควายหมูม้มาเป็นไก่เป็ดไก่เกิดได้ทั้งนั้นพอเปลี่ยนเสื้อมนุษย์ไปใส่เสื้อหัวเสื้อควายเข้าไปแต่ทางว่าเรามีบุญออกจากเสื้อมนุษย์เราก็ไปสวมเสื้อมนุษย์เองไปเกิดในตระกูลที่ดีเลยเราไม่ต้องเกิดที่มันทุกข์ยากลำบากไปเกิดในตระกูลที่เราจะมีความสุขหรือกออกจากมนุษย์เราก็โอ าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เอาละเราควรจะไปพักอยู่บนสวรรค์ซะก่อนก็ออกจากมนุษย์ไปสู่สวรรค์หรือภาวนาถ้าตั้งใจภาวนาจิตใจรวมสงบเนี่ยเป็นหนึ่งอันหนึมีโอกาสที่จะไปพร ม, มโลกได้ผู้ที่ภาวนานะไปสู่พรมนะพวกฤาษีสีภัยทั้งหลายแหล่ถ้าออกจากท่านไปบวชอยู่ในป่าหลวงพงไพ เมื่อท่านภาวนาท่านจะไปสู่พรมเป็นส่วนมากแต่ถ้าว่าเป็นผู้ที่ให้ทานรักษาศีลธรรมดาเนี่ยโดยมากจะไปเกิดเป็นมนุษย์และไปสู่สวรรค์จะมากกว่าเพราะนั้นเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากให้ทานแล้วก็ใช่เผื่อเนื้อตกต่ําเอาไว้เผื่อเนื้อตกต่ำยังไงทารถภาวนาเอาไว้ถ้าไปถึงชั้นพรมก็มาเกิดเป็นอยู่สั้นสวรรค์ ก็ยังดีไงแต่ถ้าว่าเราทําไม่มั่นคงแลรทำเพียงเพิกตะศักวาทำเฉยๆเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าจะขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์เถอะเผือๆมันอาจจะหลุดจากมนุษย์มาไปเกิดเป็นสัตว์ที่ละชานก็ได้ เ, เพราะฉะนั้นต้องเผื่อเอาไว้ให้ตึงเอาไว้กว่าดีคือพยายามภาวนานะภาวนาในต้องศึกษาแล้วนะทีนี้นะภาวนาทําอย่างไรหลวงพ่อพูด ไว้ใน MP3 เนปะี่งเยอะแยะหลวงปู่หลวงตาที่ท่านได้พูดเอาไว้ก็เหมือนกันในหนังสือนะ่เยอะแยะอันนั้นเราต้องศึกษาอะไรท่นละยวิชาทุกวิชาในโลกนี้เราจะสยามพูรุษไปเลยโดยที่ไม่ได้ศึกษานะเป็นไปไม่ได้นะเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ในเมื่อเรียนรู้แล้วนํามาประพฤติธปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราเมื่อปรับปรุงกายวาจาใจของเรานั่นแะ เราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นจุขเรื่อยๆประนด้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อได้พูดและแนะนวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาวันหนึ่งก็แนะเรื่องหนึ่งวันหนึ่งก็แนะให้แนวอีกเรื่องหนึ่งสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราได้หูแจ้งตาสว่างกว้างขวางเพื่อการศึกษา ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟัง แ, แนวแถวจากครูบาอาจารย์แล้วพวกเราก็จะไม่ได้รับความรู้กว้างขวา ง, วางอย่างที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกอสุดตรรมยปัญญาจิตธรมยปัญญาภาวนบัญปัญญาอันนี้สูงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเป็นต้นนะหลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกสรุปแล้วก็คือเนี่ย หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาได้เมื่อนได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ตัวเองจับเงื่อนได้แล้วไงจับเงื่อนนั้นเมื่อเราเรียนกอไก่ขอไข่ถึงหอนกขู่ได้แล้วเนี่ยเราก็พยายามหาสราะสาราผสมประสานเข้าไปแล้วจากนั้นก็เราเราก็อ่านออกเขียนได้ผสมสระเข้าไปจะนี้อ่านได้ทั้งหมดจะ น, นี้เพราะเห็ุไดเพราะเราได้เรียนได้ศึกษาเบื้องต้นเนี่ย นี้ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อพยายามแนะแนวเบื้องต้นให้แก่พวกเราได้เข้าใจจากนั้นพวกเราพอเข้าใจแล้วก็เดินนํำความเข้าใจเบื้องต้นพยายามสารต่อเรื่องทานมีความหมายยังไงเรื่องศีลมีความหมายยังไงเรื่องภาวนามีความหมายยังไงพระพุทธเจ้ามีจุดประสองค์อะไรในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะได้ศึกษาสูงส่งกันไปเรื่อยๆนะ แ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พร